บ <Book> ุ๊กทูยี่สิเกอคอนอคอนสที่ร้านอาหารหนึ่งอุปหัรกรุหัตอุรกรหัตโต๊ะนี้ว่างไหมคะฮ่ท็อปเปิ ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะกรุปายเมนูเดียวกรุปาเมนูเดียวคุณมีอะไรแนะนำไหมคะป प ่ क ुุ ल ् य ा प द ा र ธานชีชิฟาร์สคาราลปั่นคุทลยาพดารธานชีสคา ल ดิฉันขอเบียร์ค่ะ म ัลลาเอกเบียร์ไปเจมัลिาเ ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ म ันละมินเนอร์ัลวอไป้เจมันวเจดิฉันขอน้ำส้มค่ะ म ันละสันติรนตราชสไปให้เดิฉันขอกาแฟค่ะมันละกาแฟไปให้ันลเจ ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ म ลอดูดข้าวหนูกาแฟไปเจมลอกไปเจกรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะุปยลกรุปยาสากลขดิฉันขอชาค่ะมล่าชาพ่ะเ ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ म ันละลิมบุกาลุนชาพ่ะยเจมันละลิมบุกาลุนชาพ่ะยดิฉันขอชาใสา่นมค่ะ म ันละดูดกาลุนा प ा ह ะยเจมันละดูดกาลุนชาพ่ะยเจคุณมีบุหรี่ไหมคะอพยักกระดิส ग, ग ा र े ट เรตกกดิสิต คุณมีที่เขียบุรีไหมคะอ प ल ลักคดีราคตานียาเฮก้าอาพाักคดีราคตานียาเคุณมีไฟไหมคะอาพลักคดेเปต้าวนัสัตี क ाรียาेฮก้าอาพล क กคดีเปต้กดิฉันขาดซ่อมค่ะ म ा झ าคดีค่าตาหน้าหิยาเฮมาจาคดีคाาตาหน้า ดิฉันขาดมีดค่ะ म ा झ ा क ड ะดีสุรีน่าหิ้อยา क ड มาจากระดีสุรีดิฉันขาดช้อนค่ะ म ा झ ा क ड ะดีซัมा่าหน่าหิाอยาเหมาจากระ ह ี